เมื่อพระมหาสัตว์กล่าวอย่างนี้แล้วพระเจ้าวิเทหราชจึงให้พระมหาสัตว์นั่งณราชบัลลังก์ภายใตเสเวตฉัตดพระองค์เองประทับนั่งณอาสนะต่ำตรัสว่าพ่อบัณฑิตเทวดาผู้สิงอยู่ณเสวตฉัตดถามปัญหาสีข้อกับเราแต่เราไม่รู้ปัญหาสีข้อนั้นอาจารย์สี่คนก็ไม่รู้เพราะฉะนั้นเจ้าจงกล่าวแก้ปัญหาสีข้อนั้นแก่เรา มโหสดกราบทูลว่าข้าแต่พระมหาราชเจ้าเทวดาผู้สิงอยู่นสเวตตชัดก็ยกไว้เถิดหรือเทวดาชั้นจาตุมหาราชิกาเป็นต้นก็ยกไว้เถิดข้าพระองค์อาจกล่าวแก้ปัญหาที่ผู้ใดผู้หนึ่งถามขอพระองค์ตรัดปัญหาสี่ข้อที่เทวดาถามเถิดพระเจ้าค่าลำดับนั้นพระราชาเมื่อจะตรัสตามทานองที่เทวดาถาม จึงตรัสคาถาเป็นปฐมว่าบุคคลทุบตีร่างกายและปากผู้อื่นด้วยมือทั้งสองหรือด้วยเท้าทั้งสองบุคคลนั้นกลับเป็นที่รักแห่งผู้ถูกทุบตีเพราะฉะนั้นพระองค์ทรงเห็นว่าผู้เป็นที่รักนั้นได้แก่ใครบรรดาคำเหล่านั้นคำว่าทุบตีหันติได้แก่ย่อมตกตีคำว่าปริสุมพติ แปลว่าย่อมตบตีเหมือนกันข้อว่าบุคคลนั้นกลับเป็นที่รักสเสวราชาปิโยโหติความว่าบุคคลนั้นเมื่อกระทําอย่างนั้นย่อมเป็นที่รักคําว่าทรงเห็นว่าผู้เป็นที่รักนั้นได้แก่ใครกันเตนะมะพิปัสสิความว่าเพราะเหตุนั้นพระองค์ทรงเห็นบุคคลผู้เป็นที่รักได้แก่คนไหน เทวดาถามปัญหานั้นอย่างนี้พอพระมหาสัตว์ได้สดับปัญหาเท่านั้นเนื้อความแห่งปัญหานั้นก็ปรากฏเหมือนดวงจันทร์เต็มดวงปรากฏในท้องฟ้าลำดับนั้นพระมหาสัตว์ทูลเตือนพระราชาให้คอยทรงสดับแล้วจึงกล่าวแก่เทวปัญหาทำให้ปรากฏประหนึ่งผู้มีฤทธิ์ชูดวงอาทิตย์ขึ้นไปกลางหาวะนั้นอย่างนี้ว่า ค่าแต่สมมุติเทพเมื่อใดเด็กน้อยนอนบนตักมารดาก็ร่าเริงยินดีเล่นตบตีมารดาด้วยมือและเท้าถอนผมมารดาเอามือตีปากมารดาเมื่อนั้นมารดาก็กล่าวคําดังนี้เป็นต้นกับบุตรนั้นด้วยอํานาจความรักว่าไอ้ลูกประทุษร้ายไอ้โจรเอ็งตีข้าอย่างนี้ได้หรือ กล่าวชะนี้แล้วก็ไม่อาจจะกลั้นความรักไว้ก็สวมกอดให้นอนระหว่างถันจูบศีรษะบุตรนั้นเป็นที่รักแห่งมารดาในการนั้นฉันใดก็เป็นที่รักแห่งบิดาในการนั้นฉันนั้นเทวดาได้สดับอัถาที่บายของพระโพธิสัตว์ก็เผยกำภูฉัดออกมาสําแดงกายกึ่งหนึ่งให้ปรากฏให้สาธุการด้วยเสียงอันไพเราะว่าโอบัณฑิต กล่าวแก้ปัญหาถูกดีแล้วหนอแล้วบูชาพระมหาสัตว์ด้วยดอกไม้และของหอมอันเป็นทิพย์อันบรรจุเต็มในพระอกแก้วแล้วอันตรทานหายไปแม้พระเจ้าวิเทหราชก็ทรงบูชาพระมหาสัตว์ด้วยบุพชาติเป็นต้นแล้วตรัสวิงวอนให้กล่าวแก้ปัญหาข้ออื่นต่อไปครั้นได้ทรงรับให้ตรัสถามจึงตรัสคาถาที่สองว่า บุคคลด่าผู้อื่นตามใจชอบแต่ปรารถนาการกลับมาของเขาบุคคลผู้ถูกด่านั้นย่อมเป็นที่รักของผู้ด่าเพราะเหตุนั้นพระองค์ทรงเห็นใครว่าเป็นที่รักแห่งผู้ด่าลำดับนั้นพระมหาสัตว์อธิบายปัญหาที่สองนั้นว่าข้าแต่พระมหาราชเจ้ามารดาสั่งบุตรอายุเจ็ดแปดขวบผู้สามารถจะทําตามสั่งได้ว่าแน่ พ่อเจ้าจงไปนาเจ้าจงไปร้านตลาดดังนี้เป็นต้นกุมารกล่าวว่าแม่จา๋าถ้าแม่ให้ของเคี้ยวของกินนี้ด้วยแก่ลูกลูกจักไปครั้นมารดากล่าวว่าเอาสิพ่อก็เคี้ยกินของกินแล้วบ้วนปากยืนอยู่ที่ประตูเรือนหาไปนาไม่เล่นเสียกับมูเด็กหาทำตามสั่งของมารดาไม่ ครันมานดาบังคับให้ไปก็กล่าวว่าแน่ ä, แม่แม่นั่งยืนที่เงาเรือนอันเย็นฉชะไหนลูกจะทําตามคําสั่งของแม่ไปภายนอกดังนี้เป็นต้นครันมานดากล่าวว่าเอ็ง e ลวงข้าก็แสดงมือและปากแปลกๆ แ, แ, แล้วหนีไปมานดาเห็นบุตรหนีก็ขัดเคืองคือไม้ไล่ตามเมื่อไม่ทันบุตรก็คุกคามว่าไอ้ I i, คนชั่วไอ้ I, โจร เอ็งกินของกินของข้าแล้วไม่ปรารถนาจะทำอะไรอะไรที่นาหยุดกนหยุดกนแล้วกล่าวคำเป็นต้นว่าเอ็งไปเถิดไอ้ถอยพวกโจรจงตัดมึงให้เป็นชิ้นน้อยชิ้นใหญ่ด่าบริภาตตามความใจชอบตามอธัธยาศัยก็แต่การใดปากกล่าวอะไรอะไรออกไป การนั้นใจก็ไม่ปรารถนาซึ่งความมีมาแห่งพยันตรายแม้น้อยหนึ่งแก่บุตรฝ่ายทารกเล่นกับพวกทารกตลอดวันไม่อาจจะเข้าบ้านเวลาเย็นก็ไปสำนักหมู่ญาติฝ่ายมารดาเมื่อแลดูหนทางที่บุตรจะกลับมาเห็นบุตรที่รักยังไม่กลับบ้านก็มีหัวใจเต็มไปด้วยความโศกว่าเชรอยลูกของเราอาจจะไม่เข้าบ้านมีน้าตาไหลาอาบหน้า ไปค้นหาที่เรือนญาติเห็นบุตรที่รักก็สวมกอดจูบที่ศีรษะเอามือทั้งสองจับบุตรมั่นกล่าวว่าพ่อลูกรักอย่าเอาถ้ยคำของแม่จดไว้ในใจเลยกล่าวชนี้แล้วก็ยังความรักให้เกิดขึ้นอย่างเหลือเกินข้าแต่พระมหาราชเจ้าบุตรชื่อว่าเป็นที่รักยิ่งในการเมื่อมารดาโกรธ ด, ด้วยประการชนี้ เทวดาได้สดับก็บูชาพระมหาสัตว์เหมือนคราวที่แล้วมาฝ่ายพระเจ้าวิเทหราชก็ทรงบูชาพระมหาสัตว์เหมือนคราวที่แล้วแล้วตรัสวิงวอนให้กล่าวแก้ปัญหาที่สามครั้นได้ทรงรับให้ตรัสถามจึงตรัสคาถาที่สามว่าบุคคลกล่าวตูด้วยคำไม่จริงแล้วท้วงกันด้วยคำเหลาะและบุคคลนั้นย่อมเป็นที่รักแห่งกันด้วยเหตุนั้น พระองค์ทรงเห็นว่าได้แก่ใครลำดับนั้นเมื่อพระมหาสัตริย์แก้ปัญหานั้นแด่พระราชาว่าข้าแต่พระมหาราชเจ้าเมื่อใดภรรยาและสามีสองคนอยู่ในที่ลับเล่นกันด้วยความสเสน่หาตามความยินดีของโลกแล้วกล่าวตูกันและกันด้วยคําไม่จริงอย่างนี้ว่าความรักในเราย่อมไม่มีแก่ท่านได้ยินว่า ใจของท่านไปภายนอกแล้วแล้วทวงกันด้วยคําเหลาะแหละเมื่อนั้นพนรรยาและสามีทั้งสองนั้นก็รักกันเหลือเกินพอพระองค์ทรงทราบเนื้อความแห่งปัญหานั้นด้วยประการชนีเทวดาได้สดับแล้วก็บูชาพระโพธิสัตว์เหมือนดังก่อนอีกควายพระราชาก็ทรงบูชาพระมหาสัตว์โดยในหนหลังแล้วตรัสวินวอนให้กล่าวแก้ปัญหาข้ออื่นอีก รั้นได้รับให้ตรัสเถมจึงตรัสคาถาที่สี่ว่าบุคคลนําข้าวน้ำผ้าและเสนาสนะไปชื่อว่าผู้นําไปมีอยู่โดยแท้บุคคลเหล่านั้นย่อมเป็นที่รักแห่งผู้เป็นเจ้าของข้าวน้ำเป็นต้นด้วยเหตุนั้นพระองค์ทรงเห็นว่าได้แก่ใคร ลำดับนั้นพระมหาสัตว์อธิบายแก้เนื้อความแห่งปัญหาถวายพระราชาว่าข้าแต่พระมหาราชเจ้าปัญหานี้เทวดากล่าวหมายเอาสมณะและพรามผู้ประพฤติ ธ, ธรรมจริงอยู่สกุลทั้งหลายผู้มีศรัทธาเชื่อโลกนี้และโลกหน้าจึงบริจาคทานและใครจะให้อีก สกุลเหล่านั้นเห็นสมณะและพรามเห็นปานดังนั้นขอข้าวน้ำเป็นต้นไปก็ดีนำข้าวน้ำเป็นต้นที่ได้แล้วไปบริโภคก็ดีก็เลื่อมสายรักใครในสมณะและพรามเหล่านั้นเหลือเกินด้วยเห็นว่าสมณะและพรามเหล่านี้ขอข้าวน้ำเป็นต้นของเราบริโภคข้าวน้ำเป็นต้นเป็นของของเราทั้งนั้นเมื่อเป็นเช่นนี้สมณะและพรามทั้งหลาย ชื่อว่าเป็นผู้นำไปคือเป็นผู้ขอโดยส่วนเดียวและเป็นผู้นำข้าวและน้ำเป็นต้นที่ได้แล้วไปโดยแท้ชื่อว่าเป็นผู้เป็นที่รักของเจ้าของข้าวน้ำเป็นต้นก็ในเมื่อปัญหานี้อันมโหสดกล่าวแก้แล้วเทวดาก็บูชาเหมือนอย่างนี้แล้วกระทําสาธุการแล้วโยนพระอบอันเต็มด้วยรัตนเจ็ดประการมาแทบเท้าแห่งมโหสถแจ้งว่า มโหสดบัณฑิตท่านจงรับพระอบเต็มด้วยรัตนเจ็ดประการฝวายพระเจ้าวิเทหราชโปรดปรานเลื่อมใสในมโหสดเป็นอย่างยิ่งได้พระราชทานตำแหน่งเสนาบดีแก่เขาจำเดิมแต่นั้นมาพระมหาสัตว์ได้มียศใหญ่เทวะปัญหาจบ